สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เจ้าพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สอง้อยห้าสิบเอ็ดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ยี่สิบหกเรากำลังอยู่ในคำอิงวันที่สามอยู่นะครับก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับผมอยากจะทบทวนนะครับว่าความจริงห้าประการเกี่ยวกับน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นครับก็คือประการแรกพระเจ้ามีแผนการยังเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเรา ประการที่สองก็คือการทําตามแผนการของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตอบสนองของชีวิตของเราประการที่สามก็คือเราสามารถที่จะรู้และน้ำพระทยัยและทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าและทําตามน้ําใจของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ภายใต้เงื่อนไขแห่งท่าทีที่ถูกต้องก็คือการเชื่อวัง ประการที่สี่ครับก็คือพระเจ้าไม่บังคับเราให้ทําตามแผนการของพระองค์พระเจ้าให้อิสระเราในการเลือกที่จะทําและเลือกที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือไม่ประการสุดท้ายครับเป็นความจริงก็คือเมื่อเราอาธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูนั้นก็จะสามารถช่วยเราให้พบกับแผนการของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเพืนนะครับก่อนที่เราจะไปในประเด็นต่างๆในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เรารู้ว่า การที่เราจะทราบนามัสไทยของพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องตีคู่หรือควบคู่กันมาจากการที่เราต้องรู้จักพระเจ้านะครับถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าก่อนเรายังไม่สามารถที่จะรู้นามัสไทยของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนเราคงจะต้องรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นและเมื่อเรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเรามีภาพของพระเจ้านะครับในมโนของเราเนี่ยอย่างถูกต้อง เราก็จะมีท่าทีในการตอบสนองอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะมีความปรารถนาที่อยากจะรู้นาว่าไข่ของพระเจ้าซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นพิมพ์เขียวเป็นพิมพ์เขียวหรือบูปริ้งสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการเดฟดเนิดเฉพาะเจาะจงครับพระเจ้ามีแผนการอย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับชีวิตของเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีพิมพ์เขียวครับนะครับพิมพ์เขียว สำหรับชีวิตของเราทุกๆคนครับเนื่นะครับในวันนี้เราจะมาดูช่องทางในการที่เราจะรู้น้ำมัธยของพระเจ้าช่องทางในการแสดงออกซึ่งน้ำมัยของพระเจ้ามีอยู่สามช่องทางครับช่องทางแรกนะครับก็คือเรียกว่าช่องอัตโนมัติน้ำมัธยของพระเจ้าที่แสดงออกในช่องทางนี้เป็นแบบอัตโนมัติครับอัตโนมั ต, แติแปลว่าอะไรครับอัตโนมัติก็คือว่า คุณจะรับรับรู้รับทราบนะครับหรือไม่ก็ตามมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นเหมือนกับกฎครับกฎนี้นี่นหมายว่า principle กฎซึ่งพระเจ้าปกครองจักรวาลจากการดูธรรมชาติจักรวาลและสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราจะเห็นเราจะรู้กฎนี้ครับและกฎนี้ก็เป็น นามาไทยของพระเจ้าเป็นช่องทางในการแสดงออกอย่างหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเราเห็นดิดนสอซึ่งตกลงมาจากโตก๊ะเมื่อเราเห็นผลแอปเปิ้ลตกลงมาเมื่อมันสุกแล้วหรือบางคนเคยเห็นทุเรียนนะครับตกลงมาจากต้นทุเรียนเมื่อมันสุกแล้วพี่น้องครับเราเห็นกดแรงโน้มถ่วงของโลกของทางการเราครับเราเรียกว่านามาไทย อัตโนมัติน้ำมันไทยอัตโนมัติของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติตามกฎที่พระเจ้าสร้างไว้นะครับเราไม่ต้องตัดสินใจว่าเมื่อไหร่เราจะสูดลมหายใจการหายใจของเรานั้นเกิดจากอัตโนมัตินะครับการย่อยอาหารของเราก็อัตโนมัติการเต้นของหัวใจของเราในร่างกายก็อัตโนมัตินะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะการหายใจก็ดีการย่อยอาหารก็ดีการเต้นของหัวใจก็ดีเป็นการเป็นช่องทางการแสดงออกซึ่งกฎธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมษย์ขึ้นมาและนี่คือ น, น้ำมัไทยของพระเจ้าส่วนหนึ่งครับเป็นแผนการของพระเจ้าซึ่งรวมถึงระบบการหายใจของเราและพระเจ้าทรงสร้างอากาศเพื่อให้หายใจพระเจ้าทรงสร้างอาหารให้กับระบบย่อยอาหารพระเจ้าให้ความรู้เพื่อที่จะ ให้เราคิดให้เราจับนอกเหนือจากกฎธรรมชาติเหล่านี้แล้วครับพี่น้องครับน้ำมัทไธอัตโนมัติของพระเจ้าก็จะทํางานนะครับในกฎของสวรรค์เช่นเดียวกันกับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระไถ่ของทูลในสวรรค์เป็นอย่างไรเห็นไหมครับถ้าเรามีกฎในโลกนี้แน่นอนครับต้องมีกฎบนสวรรค์และกฎบัสวรรค์นะครับก็คืออิสยาบทที่14ข้อที่24ครับ กฎบนสวรรค์นั้นก็คือชีวิตของเรานะครับบูปริ n งของเราในได้ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับเราจึงดูนครับกิจยาบทที่สิบสี่พอดียี่สิบสี่พระเจ้าตรัสว่าเรามีแผน ง, งานไว้อย่างไรก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นเราได้วุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นรเรื่องครับพูดง่ายนะครับตามาชาวบ้านว่าพระเจ้าอยากจะให้เป็นอย่างไร พระเจ้าจักเกณฑ์แผนการของพระองค์ไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นแน่นอนครับหนีไม่ได้ครับนี่คือกฎของสวรรค์ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นกฎแห่งความอาธิปไตยหรืออำนาจอาธิปไตยสูงสุดสิทธิอหนาสูงสุดของพระเจ้าพี่น้องครับหลายๆลครั้งครับเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตาม ทัไทยของพระองค์ในเรื่องราวที่เป็นกฎธรรมชาติเพราะไงครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเองยกตัวอย่างเช่นครับเราไม่จาเป็นต้องอดิษฐานให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเพราะ อ, อะไรครับเพราะว่าอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาน้ำมันต้องเดือดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไปต้มน้ำที่บริเวณโคกขั้วโลกเหนือนะครับเราอาจจะต้อง เปลียนคำอธิษฐานเสร็จของเราเสื้อใหม่นะครับเพราะว่าที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นั้นน้ํามันไม่เดือดที่ร้อยองศา ค, ครับหรือเราอาจจะไม่ต้องอธิษฐานให้น้ําไหลลงสู่ทะเลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลลงสู่ทะเลวันหนึ่งคำ่ำตรงนี้เราเห็นนะครับว่าในข้อที่ยี่สิบเจ็ดของพระธรรมอิชยาบทที่สิบสี่ เราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงวางกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นน้ำมัธยัยอัตโนมัติซึ่งเป็นช่องทางการแสดงออกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับในข้อที่เจ็ดพุ่นนะครับบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเหยียดออกและผู้ใดจะหันให้กลับได้เห็นไหมครับพระเจ้าได้ทรงวางกฎธรรมชาติวางกฎระแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอาธิษฐาน ขอให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์นะครับพี่น้องครับตรงนี้นี่เองนะครับเราอาจจะไม่ยังเป็นต้องอธิษฐานให้น้ําเดือดหรือไม่เป็นต้องอธิษฐานให้น้ําไหลลงทะเลนะครับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าควบคุมดูแลการกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอยู่แล้วบางท่านอาจจะฟังแล้วนะครับไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะอธิษฐานให้น้ําเดือด ก็ได้ครับให้น้ำเดือดที่หนึ่งรอยองศาก็ได้เราให้ฉันให้น้ำไหลลงชูทะเลก็ได้ครับหากเป็นความปรารถนาของพี่น้องช่องทางที่สองครับพี่น้องครับช่องทางที่สองเราจะมาดูกันในวันนี้ช่องทางที่สองของการแสดงออกของน้ำมัทไธร์พระเจ้าเราเรียกว่าความปรารถนาของพระเจ้าความปรารถนาของพระเจ้านั้น ประกอบด้วยสิ่งที่พระงประนาให้สำเร็จแต่ครับแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปเพราะอะไรมันถึงไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปครับผมยกตัวอย่างครับพระเจ้าทรงต้องการให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเสมอเช่นพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนหรือให้มนุษย์ทุกคนนะครับให้คนทุกคนเชื่อไว้วางใจในพระองค์ ทุกทกคนนัะนนี้ผมย้มําคําว่าทุกคนพี่น้องเห็นไหมครับแปลเกิดขึ้นทั้งหมดไหมครับเกิดขึ้นทุกคนไหมครับเปล่าเห็นไหมครับนี่คือการแสดงออกช่องทางที่สองของน้ำมัธย์พระเจ้าเป็นความปรารถนาของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อสิบเจ็ดครับได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นเห็นไหมครับ พระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนแต่ทุกคนนั้นอาจจะนะครับอาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าทุกคนองค์พระผูเจ้าไม่ได้ทรงเฉย ช, ชาในพระสัญญาของพระองค์ทรงไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรานนปนนรถ น, นาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พี่น้องชัดเจนนะครับ2เปโตรบทที่3ข้อ9ชัดเจนมากครับพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวง กลับใจใหม่ให้ชุดคนกลับใจใหม่ครับโดยไม่ทรงประสงค์ที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่น่านเลยแต่แต่พี่น้องครับแต่ถามว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับนั่นเป็นความปรารถนาของพระองค์เท่านั้นนี่เป็นช่องทางการแสดงออกอย่างที่สองของน้ำมไทไของพระเจ้าเพื่อ น, นครับผมอยากยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเดข้อที่ สามสิบห้านี่กล่าวว่าพระเยซูทรงกันแสงนี่เป็นข้อที่กั้นที่สุดนะครับ Jesus wept นะครับ W E P T wept นะครับ Web แปลว่าร้องไห้พระเยซูทรงกันแสงครับน้อยคนถามว่าทําไมพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูจึงกันแสงคําตอบก็คือพระเยซูทรงกันแสงเพราะว่าพระองค์รู้สึกโศกเศร้าโศกเศร้าแทนพี่สาวของลาสัสผู้ซึ่งตายจากไป นะครับโศกเศร้าแทนพี่สาวลาตาลัสครับและโศกเศร้าเพราะว่าเพื่อนคนอื่นที่ร้องไห้พระเยซูทรงโศกเศร้าเมื่อทรงรเผชิญกับการยอร่อเย้ยการปฏิเสธโดยฝูงชนที่ไม่เชื่อทั้งที่รู้ว่าทั้งที่พระองค์ทรงทราบชัดเจนครับว่าปลายทางของเขาคือความพินาศองค์ทรงสงสารเขาทรงโศกเศร้าเพราะความสงสารเขาพรงต้องการให้ทุกคนต้อนรับพระองค์ครับแต่พวกเขาปฏิเสธพระองค์ น้ำมรไทยในเรื่องของความปรารถนาของพระองค์จึงถูกขัดขวางครับพี่น้องครับรเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพรงะองค์เรากําลังบอกว่าเราต้องการทําให้สําเร็จตามความปรารถนาของพระเจ้าซึ่งอาจจะไม่สําเร็จจริงๆก็ได้แต่เราอธิษฐานได้ครับพี่น้องครับในประเด็นนี้เป็นคําวิงวอนของเรานะครับเป็นคำหนุนใจของข้าพเจ้าของผมที่มีต่อพี่น้องว่าหลายครั้งทีเดียว นะครับเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความปรารถนาของพระเจ้าสําเร็จให้ญาติพี่น้องของเราได้รับความรอดครับให้คนในครอบครัวเราได้ความรอดครับให้คู่สมรสของเราคู่ชีวิตของเราได้รับความรอดครับพี่น้องครับนี่คือช่องทางที่สองครับอธิฐานนะครับช่องทางที่สามนะครับก็คือขอให้น้ำมันไทยของพระเจ้าสําเร็จก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา ช่องทางที่สามก็คือพระเจ้าแสดงออกถึงน้ำมันไทยของหลงด้วยการบัญชาคำสั่งครับพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อแม่บอกว่าทําความสะอาดห้องนะลูกนั่นคือคําสั่งจงรักซึ่งกันและกันนั่นคือคําสั่งคําสั่งนั้นแสดงถึงความต้องการหรือความปรารถนาของคุณพ่อบนสวรรค์เมื่อพ่อในโลกนี้บอกว่าไม่กับลูกชายนั่นแสดงว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ ลูกของพระองค์นั้นทําในสิ่งที่ไม่ควรทําพระองค์ทรงบัญชาลูกของพระองค์ว่าท่านงหลายจงเป็นคนบริสุทดเพราะเราบริสุทิ์นี่คือนามไทยของพระเจ้าครับที่ลูกทั้งหลายของพระองค์จะต้องเชื่อฟังพระองค์อย่างครบถ้วนบุตรของพระเจ้าทุกคนต้องบริสุทธิ์คนเหล่านั้นที่ไม่บริสุทธ์ก็คือผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมืเ่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นประชาพัไทยของพระองค์เรากาลังขอความช่วยเหลือของพระเจ้าในการทําตามพระบัญชาทําตามคําสั่งของพระเจ้า เรากำลัลงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเรากำลัลงขอกำลังจากพระเจ้าเรากำลัลงขอการสนับสนุนแรงนะครับการเสริมแรงจากพระเจ้าให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ตอบสนองต่อข้อบัญชาของพระองค์เี่นไครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นนะครับเราไขข ว, วนโพชนะมากขึ้นเราจะรู้ครับว่ามีคำบัญชามากมายคคำสั่งมากมายใช้คาว่าพระบรมราชโองการมากมายครับ บางข้อเราก็รู้บ้างบางข้อเราก็ไม่เคยอ่านไม่เคยรู้น่าเสียดายนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขบัญชาพระราชะองค์การของพระเจ้าและทำตามเพื่อเป็นการทำตามน้าพไทยของพระเจ้าชีวิตของเราจึงจะครบถ้วนบริบูรณ์ครับพี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้ยาวนิดหนึ่งครับผมจะสรุปช่องทางทั้งสามช่องทางอย่างรวดเร็ว ช่องทางในการแสดงออกซึ่งน้ำมันไทยของพระเจ้าช่องทางแรกก็คืออัตโนมัติครับช่องทางที่สองก็คือความปรารถนาของพระเจ้าอาจจะไม่สําเร็จนะครับในคนทุกคนช่องทางที่สามครับเป็นช่องทางส่วนตัวมากครับก็คือคําสั่งโดยตรงกับบรรดาลูกของพระเจ้ากับพวกเราทั้งหลายทุกคนครับเราจะต้องตอบสนองอย่างถูกต้อง